สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดโอกาสที่สองพระเจ้ของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบแปดพระธรรมยอห์นบทที่สิบแปดข้อหนึ่งจนถึงข้อที่สิบเอ็ดโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเมื่อพระเยซูตรัสดังนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ ข้ามห้วยผิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวกยูดาสผู้ที่จะอายัดพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆยูดาสก็พาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่มาหามาจากพวกโรหิตและพวกปริสีถือคมถือไต้และถือเครื่องอาวุธไปด้วย พระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปฐานเขาว่าท่านทั้งหลายมหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามหาเยซูชาวนาสเรตพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้อาญาติพระองค์ก็ยืนหยุดคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราคือผู้นั้นแหละเขาทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดินพระองค์ตรัสถามเขาอีกว่า ท่านหาใครเขาทูลตอบว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นจริงตามพระดํารัสซึ่งพระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวซีโมนเบโต้นิดาบ จึงชักออกฟันาธาตุคนหนึ่งของมหาโพลฮิตผู้ประจำการถูกหูข้างขวาขาดไปาธาตุคนนั้นชื่อเหมาคัดพระเยซูตรัสกับเปโตร ว, ว่าจงอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือพี่น้องครับพระวัตนะพระเจ้าตอนนี้ได้บรรยายว่าหลังจากที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานในบทที่สิบเจ็ดแล้ว พอเสร็จแล้วพระเยซูก็ออกจากตรงเยรูซาเล็มหรือออกจากห้องชั้นบนที่พระเยซูอธิษฐานกับเหล่าสาวกพระเยซูได้ตั้งพิธีมหาเคริสตจักศรศิษย์เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นครับพระเยซูก็เสล็จเดินทางออกจากเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ข้ามห้วยขิดโรนในข้อที่หนึ่งมีคําว่าห้วยขิดโรนห้วยขิดโรนก็คือเป็นหุบเขาครับเป็นหุบเขา และเป็นที่ทางเดินของของน้ำนะครับถ่ายเทน้ำที่ออกมาจากกรุงเยรูเซมห์ข้ามห้วยผิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งสวนนั้นสนิฐานและเรารู้ว่าเป็นเกตเซมเนีในสวนนั้นครับเจอกับยูดาสและยูดาสนั้นก็พาทหารของพวกมหาโรลฮิตและเจ้าหน้าที่ ที่มาจากวิหารครับพวกฟาริสีก็มาด้วยถือคมถือใต้และที่สำคัญคืออาวุธถือเครื่องอาวุธเพื่อที่จะจับเปียซูเปียชูในข้อที่สี่นะครับทราบว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นอะไรกับพระองค์มังทราบทุกสิ่งว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับพรงมังเปียสูก็เลยตัดถามเขาถึงสองครั้งจัดถามเขาถึงสองครั้ง และนี่เป็นที่มาของหัวข้อในเช้าวันนี้ครับก็คือโอกาสที่สองพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองพระเยซูนั้นพรงได้ทรงให้โอกาสที่สองครับให้โอกาสที่สองกับบรรดาคนที่จะทำผิดทำบาปในที่นี้เราจะเห็นว่าพระเยซูได้ให้โอกาสที่สองกับพวกที่มาจับพระเยซูให้โอกาสที่สองกับยูดาสครับ และเมื่อหมดโอกาสที่สองแล้วเนื่องจากการเลือกของเขาที่จะไม่ยอมทําตามไม่ยอมเชื่อฟังพระเยซูไม่ทําในสิ่งที่ควรทําพวกเขาปฏิเสธโอกาสที่พระเยซูหยิบยื่นให้เขาหันกลับไปเลือกทําสิ่งที่ไม่ควรทําเลือกในสิ่งที่ทําในสิ่งที่ไม่ดีเลือกในสิ่งที่เป็นความผิด ความบาปในที่สุดนะครับคนเหล่านั้นก็จะเสียไปแต่ทั้งนี้ครับเพื่อให้เป็นจริงตามพระดํารัสในข้อที่9คนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปแค่คนเดียวก็ย้อนกลับไปนะครับ9ครั้งที่ผ่านมาที่พระเยซูอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานสําหรับพระองค์เองพระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์และพระเยซูอธิษฐานเผื่อ ที่สเสตียนที่ติดตามพระเยซูทุกยุคทุกสมัยว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระบิดาเจ้าได้ประทานแก่พระเยซูนั้นจะไม่เสียไปสักคนเดียวไม่มีใครที่เสียไปนอกจากยูดาสครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองขณะที่ซีโมนเปโตรนั้นทาผิด เปียสุให้โอกาสที่สองกับเขาในข้อที่สิบครับซีเมนเ ป, น โ, ปโตรมีดาบจึงชักออกฟันขาดคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจําการถูกหูข้างขวาขวาดขาดไปท่านั้นชื่อเหมาคัสเพียสุตรักกับเปโตรว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือพระกัมทีซินนอปติกนะครับก็คือพระกิตติคุณพองมัทิวมารโกรลูกานะครับ ได้บันทึกถึงเรื่องที่พระเยซูได้ทาการอัศจรรย์คือรักษาหูข้างขวาของเมาคัสครับพระเยซูให้โอกาสเมาคัสที่จะไม่แก้แคนไม่จับซีโมนในเวลาเดีกันพระเยซูให้โอกาสซีโมนที่จะไม่หลงและทำผิด ในเรื่องของความรุนแรงในการต่อต้านพอพระเยซูทราบครับว่าพระองค์จะต้องดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาได้ประทานแก่พระองค์พี่น้องครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เราเห็นอย่างน้อยครับสภาพหรือลักษณะของสาวกก็คือยูดาสซึ่งเป็นคนละโมบโลกมากยูดาสนั้นมีความคิดมีมันสมอง พูดง่ายๆก็คือฉลาดและเก่งและเห็นเรื่องของธุรกิจเห็นเรื่องของรายได้เห็นเรื่องของเงินแต่สาวกแบบไปโตก็เป็นสาวกแบบชนิดที่ว่ามุทะลุเป็นพวกใจร้อนเป็นพวกที่เรียกว่ามีความมุ่งมั่นสูงและเป็นพวกที่ทําอะไรทําจริงสาวกสองประเภทนี้ ถามว่าพระเยซูโปรดปรานไหมพี่น้องครับคำตอบก็คือว่าไม่ใช่ทั้งสองประเภทครับสาวกที่พระเยซูโปรดปรานก็คือจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเยซูครับคำว่าสาวกมีความหมายตามภาษากรีกคือผู้ฟังผู้ติดสอยห้อยตามแล้วก็ผู้ทําตามหรือผู้ เรียนรู้พี่น้องครับสาวกแท้ของพระเยซูที่พระองค์ต้องการนั้นมีผู้ที่สรุปลักษณะอย่างน้อยเจ็ดประการด้วยกันก็คือหนึ่งมีความศรัทธามีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์โดยไม่มีข้อสงสัยสองมีชีวิตที่แสดงถึงความเชื่อศรัทธานี้โดยการเชื่อฟังอย่างไม่มีข้อแม่สาม ชีวิตสาวกที่แท้นั้นจะต้องยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระเยซูคริสต์คำว่ายอมจำนนนั้นมีความหมายว่าคอมมิทเมนต์ครับคอมมิทเมนต์และซับมิทชีฟนะครับอันที่สี่ครับถวายตัวแด่พระเจ้าเหมือนกับที่บันทึกในพระธรรมโรมบทที่สิบสองข้อหนึ่งข้อสองอันที่ห้าดำเนินชีวิตกับพระเยซูทุกๆวันเรียนรู้จากพระเยซูโดยการศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานอันที่หกมีความสัมพันธ์ที่ดี ในฝ่ายจิตอิญญรียกับพระเจ้าก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนมนุษย์หรือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองประการสุดท้ายครับก็คือปฏิบัติรับใช้โดยการประกาศการเป็นพยานการนำคนอื่นมาถึงความรอดและสร้างสาวกต่อไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องในเช้าวันนี้การเป็นสาวกหลายคนก็คิดมโนไปว่า ฉันจะเป็นสาวกแบบใครแบบใครแบบใครแต่เป็นสาวกที่พระเยซูคิดต้องการต่างหาครับถึงจะเป็นสาวกที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าอย่าเป็นสาวกแบบยูดาสครับหรืออย่าเป็นสาวกแบบเปโตหรืออย่าเป็นสาวกของคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่พระเยซูแต่ให้เราเป็นสาวกของพระเยซูเป็นผู้ที่ทําตามพระทัยของพระเยซูเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเยซูเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระองค์และ s u b m i t นะครับหมายความว่ายอมจำนนครับและคอม m i t ก็คือประวนนาตัวในการที่จะเชื่อฟังรับใช้ประกาศนำวิญญาณสร้างสาวกต่อไปอาเมน